จมมินนาวาดีกราลิอุลอัลบาบว่าชุบี้าดิกาดิษฐ ฟَกร به ولا تحنس إن وجدناه صابرا งา عبد ا ب و َ ل ك ُ ر ْ ع ِ ب َ ا ء َ ن َ ا إ ِ ب ْ ر َ ا ه ِ م ٌ وَإِس ฮาขวาย่างกบลิด الأيدي والابصار ุ ن ิด ا ل <و> <وب> <ص في ق> أ ي ا ل ا ب ص, <ار> <ت> ص <في ق> ا ر อินน <ار> <ت ص في ق> อ خ ل ลอฮ์ข้าพ ا ل ้าข ا ل นบิขัลิศะบิขัล س ศะที่ระ ر ั م บิขั ح ิศะที่ ح م د ับอัลลอฮฺอัลลอฮฺอ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سجاة أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له وشر ولا إله إلا الله وحده لا شريك له و وأن م ح م د ع د ه و ر س ل ه ا ل م ب ح ن ا وبك أ ن ص ي وبك نحيا وبك ن م و وإليك النشور อ ع و ذ بكلمات الله التامات من شر ما خ ل ق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو الس ا ل سميع ا ل عليم رضيء بالله رب ا, أ و بالإسلام د ي ن ا وبمحمد رسول الله اللهم إني أعوذ بك من ا ل ك س ا و س و ء الكبير ر ب ّ ع و ذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم عافني في بدني وعافني في سمي وعافني في ب ص ر ي اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومالك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ف ش أ على ا أ ر ا ل شيطان وشرك وأن أقتال فعلى نفسي سوء ا أو أجره إلى مسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملج وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما فيها اليوم وخير ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء ا ل ك ب ر รับบิ่งอาวุธบิคจากในอาดับในฝันนารีและอาดับในฝันควบรี السلام ع ال ر ح الله و ب ر ا ت ه alhamdulillah พี่น้องที่ร่วมนมาศุบะหรือนมาฟ ajar ที่มัสยิดอันวาลิสุนนะที่รักทั้งหลายครับและพี่น้องที่ติดตามรายการตับเซลกุรอานที่นั่งอยู่ที่บ้านของท่านนะครับและ มุสลิมาอีกหลายๆกลุ่มนะครับที่นั่งอยู่ที่ตลาดนะครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์ด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาเราต้องกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลา์นะที่อัลลอให้เราใช้ชีวิตในเดือนรมดอนจบมาแล้วด้วยความเมตตาของพระองค์นะครับหลายคนก็เสียใจที่ไม่ได้มีโอกาสมานมาจด้รวมกันที่มัสยิด ก่อ น, นมาสกันที่บ้านนะครับเคยนมารวมกันคนหลายร้อยเป็นพันที่กลางสนามนะครับเรีมุสลา่าแต่เนื่องจากเหตุจําเป็นนะครับก็เลยไม่ได้มารวมตัวกันที่มัสยิดหลายคนร้องไห้นะห้ามดูดินละเพียนั้นครั บ, ลรบหลังจาก ร, รมฎอนผ่านไปแล้วเนี่ยยังมีอีกบวชอีกหกวัน ยังมีบวชอีกหกวันเป็นวสุยามสิทธันสิทธันมินมินชาวานใครที่บวชอีกหกวันติดต่อกันหรือไม่ติดต่อกันก็ได้แต่ให้อยู่ในเดือนชาวานนะครับให้อยู่ในเดือนชาวานเดือนนี้เนี่ยบวชอีกหกวันเท่ากับเขาถือสินอดตลอดทั้งปีอธิบายยังน้นปีหนึ่งมีอยู่สามรอย 60วันหรือหสบห้าวันประมาณนี้นะครับเราบวชสามสิบวันก็เท่ากับสามรอยวันวันหนึ่งอัลลอฮให้ผลบูบุญสิบเท่าสิบวันก็สามสามวันสามดสามสิบวันมันก็สามรอยและอีหกวันก็อีหกสิบวันก็เป็นสามรอยหกสิบวันใครที่ถือสินอด ชาววันอีกหกวันจะติดต่อกันหรือไม่ติดต่อกันก็ได้แต่ต้องให้อยู่ในเดือนชาววาัน เ, เขาเขาถือสันอดตลอดทั้งปีใครให้เรื่องอย่างเงี้ยใครให้มีทางเดียวคืออัลลอฮ์สุบฮานูร์ตาลาเปิดโอกาสให้ท่า น, นเราต้องขอบคุณอัลลอ์ที่มาอยู่ในศาสนาอิสลามเนี่ยศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นความรู้ที่ผ่านอัลลอ์หมดเลย นะครับแล้วคำอธิบายก็ผ่านจากท่านนบีนบีไม่ได้คิดเองน้องต้องเข้าใจว่านบีเนี่ยไม่ได้ใช้สมองตนเองเลยเปล่าเลยครับที่นบีพูดออกมาจะเป็นอธิบายหรือผ่านวาฮีก็ตามทั้งหมดผ่านวาฮีหมดเลยเพราะว่านากนบเรื่องอานอัลลอฮ์รับรองนบีว่าวามายัมติกวานิลฮาว่านบีไม่เคยพูดด้วยอารมณ์ เราเนี่พูดผ่านอารมณ์อแต่นบีเนี่ยไม่เคยผ่านอารมณ์ยับามายั้งติกวานิล่าว่าฮาว า, วาวอรว่าอารมณ์นบีเนี่ยไม่เคยพูดผ่านอารมณ์อินบัวอินละวาฮยุนทั้งหมดที่นบีพูดออกมาจากอิมพิปากนบีเป็นวาฮิทั้งหมดเป็นวาฮยุนเป็นวาฮิวาฮิแปว่าอัลลอฮ์ให้ยิบรีนเนี่ยให้ความรู้กับยิบรีให้มาบอกท่านนบีอุมะฮ์ที่อยู่บน อยู่บนโลกใบนี้ที่มักกะหรือท่านที่นครมดีนะท่านเราปฏิบัติตามท่านนาบีสบาใจเพราะเป็นความรู้ที่สะอาดบริสุทธิ์และมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์มหาศาลครับขอบคุณอัลลอ์พี่น้อง <c oughs> เราได้ทบทวนกุรอ่านนี่ก็เป็นความเมตตาของอัลลอ์นะที่มานั่งอยู่ที่มัสยิดเนี่ยแล้วมาทบทวนกุรานม่เยอะวันหาอายะ <c oughs> ห้อายะ ไม่เยอะครับพี่น้องเราทำโดยนี่ละผมเรียนหนังสือเนี่ยอัลลอฮฺอัลลอฮนั่งสองสามชั่วโมงเนี่ยนะที่นั้นต่ากับเช้านั่งเย็นเลยนะทางฮะดิษทางคุณอ่านอธิบายตัวโนโลว่ามึนหมดเลยเอาเลยละแต่ไม่เป็นไรเราผ่านชีวิตมาแล้วนะครับเราทำโดยนี่ละแค่ชั่วโมงเดียวแต่เรารู้ว่าคนไทยเนี่ยเรียนมากไม่ได้เราอาทิตย์ละชั่วโมงนี่ก็ บางคนว่ายเยอะไปแล้วของเก่ายังไม่ไปฏิบัติเลยของใหม่มาแล้วขอบคุณเาลอนะวันที่เรามาถึงสูรร อ, อดนะครับสุรที่สามสิบแปดนะครับอายะที่สี่สิบสองเล่าเรื่องเรื่องอะไรเรื่องอาทิตย์ที่แล้วสักเล็กๆ็กน้อยน้อยนะครับอัอลลอฮได้ชมนบีนบีที่นบีอายุนะจำไหม เล่าเรื่องนบีอายุให้ยิบรีนนำเอาเรื่องนบีอายุมาให้นบีมุฮัมมัดฟังเล่าให้ยิบรีนให้ยิบรีนมาเล่าให้นบีมฮัมมัดฟังเป็นอัลกุรอานเพื่อให้นบีมาสอนพวกเราวันนี้อายะที่สี่ว่าสรอาบดานอายุอิสนาดารบบะฮูอันนีมัสรานียัไซตนู บิณุสบิฮวาอัลแปลว่าและเจ้ามูฮัมหมัดจงรำลึกถึงบาวของเราคนหนึ่งชื่ออายุเป็นนบีครับอายุเนี่ยเป็นนบีนะนบีนี่อัลลอะ์ทดสอบนบีอายอุเล่าใหม่ในการฟื้นความความจำานะนบีอายุอัลอทดสอบอะไร เราเนี่ยเราก็ทดสอบเนี่ไม่ใช่ไม่ทดสอบนะทดสอบให้ลําบากก็ทดสอบให้สบายมีสองอย่างทดสอบมะ บ, บีอายุเนี่ยให้ลําบาก ป, ป่วยสิบแปดปีป่วยกี่ปีนะสิบแปดปีเป็นโรคอะไรยรูมาโรคผิวหนังโรคผิวผิวหนังนี่แล้วก็จนกระทั่มีอะไรนะ่ะตัวหนอนเนี่ยอยู่ในร่าง แล้วคนที่ดูแลเนี่ยนีกังหมดยกเว้นภรยาคนเดียวภรรยานี่ดูแลสามีนะรับกับบัดดีมากครับภรรยาดูแลอย่างดีอดทนสิบแปดปีนะพภรรยาชื่ออะไรวันนี้จะบอกให้นะครับชื่อรอกมั่ภรรยานบีอายุนะชื่อร oh ah ัมะ่นนะครับรัม oh ah นี่ลูกของใครอะนะครับ เป็นลูกนะครับของคนคนหนึ <BI> <S ess suffered> ่งนะครับชื่อเดี Fresh ๋ยวเล่าให้ฟังนะเดี๋ยวเล่าให้ฟ <lean> ังวัยอยู่สบปปีเนี่ยแล้วก็เวลาขออุอาต่ออัลลอ์นี่ขออย่างนี้อันนี้มัสนียดุรว่าอันตะอัลฮัมบุรอฮิมินนี่ก็มิมานี้สองสองสองสองสองอ ดูอาที่สี่สิเนี่ยอันนี้มัสไนยาไซต์ตอนแท้จริงไซตตอนเนี่ยได้ทําให้ฉันประสบกับความเหนื่อยกับการทรมานเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเรียกว่าการคือการเน็ดเน็ดเหนื่อยกับการทรมานทําไมเอ่ยเอ่ยคำว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมาจากไซตตอนนี่เป็นภาษาภาษาพูด ของคนเหมือนให้สอนน บ, บีน บ, บีอายุเนี่ยไม่เคยตำหนิอัลลอ์เลยทั้งๆ ท, ที่รู้ว่าการเจ็บไข้ดีป่อยนะใครให้ใครให้อัลลอ์ให้แต่ไม่พูดถึงอัลลอฮ์ไม่โยงกับอัลลอ์โยงกับอะไรนะชสยตอนโยงกับชายตอนนี่เป็นมารยาทในการพูดจาสอนน บ, บีใหาน บ, บีมาสอนพวกเราอันนี้ ของไม่ดีทั้งหมดอย่าไปโยมกับใครเลย อ, อย่าไปโยมกับอัลลอฮ์เลยโยมกับใครโยมกับชายตอหรือโยมกับตัวเองดีกว่าสง่างามกว่าไหมฉะนั้นเรื่องไม่ดีอย่าไปโยมกับไปโยมกับอัลลอฮ์โยมกับตัวเองโยมกับชายตอดีที่สุด น, นี่มารยาทในการพูดแล้วก็ต่อมาอัลลอฮ์ให้นบีอายุเนี่ยหายหายเนี่ยทําอะไร ป่วยมาสิปีเนี่ยหายเนี่ยทำยังไงอายาุยาวันนี้ครับสี่สิบองอุรคุดบิริจัลิกะฮะจัมุกราสะลุมบาริลุวาชาโรอบอรุรคุฎบิริจัลิกะฮมุกราสะลุมบาริลวชา อัลฮ <idée> <Hola be> <ienne> ัมด <téléphone> ุลิลละนี่เป็นยาให้ยามารักษาโรคที่เปที่เจ็บมาสิปีนี่นี่ยารักษาปวดกุดดูสับอนจงกระทุ่งหรือจงกระทืบชายเท้ากระทืบอ่าชายเท้าเนี่ยกระทุ่งหรือว่ากระทืบในวิธีปฏิบัตินเอาล้อสอน่ะ ให้น บ, บีประ ม, มัดฟัง บ, บ, บรรดาบีอายุป่วยมาสิบแปดปีวิเียรรักษาเอามาให้เอาเท้าด้วยหนักรนะเทือบเอาเท้าด้วยนักกระทุง่งบิริจญิก้าด้วยเท้าของท่านเอาเท้าของท่านเนี่ยกระทุง่งกระทุ่งนะเพราะกว่ากระเทือบนี่ยมันแรงไปภาษากระทุ่งนะเอาเอาเท้านี่นะกักกระเทือบหรือกระทุ่งกระทุ่งเพราะกว่านะ ถ้าแลพอพอกระทุ่งไปแล้วนี่นะนี่คือมุกตาสลาุนมันมีพอกระทุง่งจะมีน้าออกมาเห็นยังครับแผ่นดินเนี่ยเราคุมเาเป็นเจ้าของเห็น ไ, ไหมให้เอาเท้านี่นกระทุ่งไปพอกระทุง่งเสร็จแล้วเนี่ยมีอะไรออกมาน่มุกตาสลาุนมีน้าออกมาเป็นการชำระล้างมะอาบ พอน้ําออกมาเนี่ยน้ํานี่เอาไว้ทําอะไรไม่ใช่ใส่แก้วมาดื่มจะเพิ่งมูขตาสรุนเอามาชําระลา้างบุซูลามาอาบมุกตาสรุนแต่ว่ามาชําระลา้างและน้ําที่ออกมาเนี่ยมีอีกหนึ่งบาริดุนเบาะเย็นน้ําที่ออกมาจากจากดินนี่นะบาริเบาะเย็น แล้วก็วาราบุนแล้วก็ดื่มได้ถืลงว่าน้ำพอใช้เช้ากระทุ่มออกไปภาพเนี่ยมีน้ำพุ่งออกมาน้ำพุ่งออกมาเนี่ยทำได้สามอย่างอย่างที่หนึ่งเอาอาบมาชาระล้างตัวเองบาดแผลที่มีอยู่เนี่ยนะอาบแั้ล้างแล้วนะบาดแผลหายครับ เรื่องที่สองบาริดุน น, น้ำนี่ร้อนหรือเย็นเยนเ็นไหมใครเป็นเจ้าของน้ำอัลลอฮอันที่สามราบุญเป็นเครื่องดื่มด้วยนี่น้ํานไมอัลลอฮให้กับนบีอายุนะ่ะคุณป่วยมาส8บปดปีคุณใช้เท้ากระทุง่งไปที่พื้นดินพื้นดินนั้นมันก็จะออกมาเป็นน้ำ น้ำนั้นสิ่งแรกก็คือน้ำเย็นสองเอาไปอาบสามเอาไปดื่มฮามดุลิลละอัลลอฮฺวะกบะดมามะบาริดน้ำเย็นแล้วก็จงดื่มแล้วก็จงเอาไปอาบอัลฮมดุลิลละให้มากเนี่ยวิธีรักษาถ้าจะเรียกสมัยใหม่ก็เรียกอะไรนะสะัญญาณน้ำแรกใช่ไหมอ่าที่เราไปสะตูนกัน ไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ไปอาบน้ำแรกกันใช่ไหล่ะไปแช่กันเสียตังค์ด้วยนะคนเข้านบางบ่ก็ไม่เสียบางบ่ก็เสียแต่น้ำแรกเนี่ยไม่เย็นนะอุ่นๆร้อนๆแต่น้ำของอัลลอ์เนี่ยเย็นอัลลอฮ์เป็นอย่างไับนี่เป็นความสามารถของอัลลอ์จะให้คนคนหนึ่งเป็นป่วยมาสิบแปดปีหายจากโรคเนี่ยมีวิธีทำแบบนี้ คือจะให้หายโดยไม่ต้องชายเทา้ากระทุ่งไปที่พื้นก็ได้แม่น้ำออกมาก็ได้ใช่ไหมโอกาสที่จะให้หายมีจะมีตลอดถึงถ้าสั่งหายมันก็หายแล้ววันเราสั่งอย่าน่ะกุ้นไยกุ้นพอสั่งว่าปั๊บมันก็หายเลยอย่างนี้เป็นตัวนี่วิธีการอะไรนะก า, ารกนะารรักษาของอวโลก ูกลงว่าการรักษาของอลลอฮมีอยู่หลายแบบไม่ใช่แบบหนึ่งแบบหนึ่งแบบใดนะอย่างพวกเราวันนี้เจ็บไข้ในป่วยก็ต้องระวังตัวเหมือนกันกินอาหารก็ต้องเลือกเหมือนกันเด็กๆไม่มีปัญหาสิกินอะไรก็ได้แต่ ะ, ะอายุหกสิบขึ้นเนี่ยต้องระวังตัวตลอดเวลาเลยล้างโดยลเฉะนั้นตามคุอรอ่านในวิธีรักษาสุขภาพเราให้แข็งแรงเนี่ยอย่าทานเยอะอย่าทาให้ท้องอิ่ม เพราะว่าท้องเนี่ยให้แบกออกกี่ส่วนนะสามส่วนให้มีลมหายใจมีน้ำแล้วก็มีมีอาหารหนักสามรายการอิ่มมากไม่ได้แล้วก็ระว่างกับอาหารกับผลไม้เนี่ยอะไรทานก่อนผลไม้ทานก่อนอายะไหนคะ่ะเป็นในสุรตะริมอัลลอฮฺาวาฟากิฮะติมมิมมายะตะคอยยรูน นี่อาหารของชาวสวรรค์ก็คือพอข้าวบในสวรรค์ปั๊บอัลลอฮ์ให้ทานอาหารที่เป็นผลไม้ก่อนฝาวากีาก่อนแล้วตามด้วยอะไรนะตามด้วยอาหารหนักก็คือนกนกทอดอัลลอห์ว่าว่าเนื้อนกแต่ตามอย่าเข้าดูในในสวรรค์น่ะขั้นสุขภาพเราจะแข็งแรงพยายามทานผลไม้ก่อนให้อิ่มมากก่อนก็ดีแล้วข้าวอย่าทานเยอะคำสองคำสามคำห้าคำพอแล้วเราห้ามดูดแล้ว นบีอยุป่วยวยกี่ปีนะิปดปนี่ท่านหญิงท่านอนับินมาดิกไดรายงานตวะอันนบอสูลอลลอฮว่าท่านนบีสุว่าอินนบีอัลลอฮอยุมอัลลอฮิสซลามลาบิสาฟิบลาอีหิสิบแปดปีอัลลอฮฺอัลลอฮฺบอทําให้คนกล้ชิดหนีคนไกลหนี ยกเว้นภรรยานบะีคนเดียวไม่หนีอัลฮัมดุลิลละไอไมนี่ภรรยานี่อัลลอฮ์เขเต็มที่กับเรานะท่านอยาดาภรรยาจะทะเลาะกับภรรยาเอาเงินในภรรยาชายเสื้อภรรยาชายสร้างบ้านในภรรยาอยู่พระภรรยาเหน็ดเหนื่อยกับเราว่ะหุงข้าวให้เราซักเสื้อให้เราใช่ไหมจัดนวลจัดนี่บานช่องให้เราอยู่ที่นอนหมอนบุงดูแลหมดเลยอะ่ะทนไปด่าเขาเองอ่อะจะท่าน คนที่ดีก็ต้องไมไม่ตำหนิภรรยาให้กำลังใจภรรยาอย่างทีเป็นต้นนะครับอัลฮัมดุลิลลาตุลงนาบิอายุหายป่วยัหมหายป่วยครับอัลลอฮฺอักบาฮอาตอมอายาที่สี่สิาวะวะฮฺบนะละหูอะฮฺละหูวะมิสลหูมะฮฺหุมรอห์มะตัมินนา ว่าดีคราลิุลิลัลบาบอุสนุยาวว่าดีคราลิุลิลัลบาบวَาวาบนาลูกอัُลอฮฺวามิสลามมะฮฺม์ราะห์มัตัมินะว่าดีคราลิุลิัลบาบ ัมดุลิลออายะห์ที่ส3สพอร่างกายสุขภาพแข็งแรงดีแล้วไม่ได้บอกว่าจีวันนะหลังจากดื่มน้ำหลังจากอาบน้ำหลังจากอะไรอีกดื่มแล้วก็อาบนะอย่างนี้เป็นต้นวาวาฮาปนาวาฮาบาแปลว่าเราได้ประทานลาหูแก่เขา อุลมะ ห, หลายคนอธิบายว่าระหว่างที่เจ็บไข้ในป่วยเนี่ยท่านมีมีอะไรเคยมีทรัพย์สินเยอะมีที่ดินเยอะขายหมดหมดมีตับนศิษอธิบายอย่างนี้นะแต่กุ้งอ่านไม่ได้อธิบายไว้ลูกเมียเมียอยู่ลูกก็ตายบ้างแพะแกะวัวควายอูดตายหมดหรือว่าขายหมด เนี่ยอุลมะอธิบายนะแต่นับซับซิ่งมัพูดไปเลยนะคุณอ่านมันจะพูดไว้พอหายดีแล้วอัลลอฮ์ได้ประทานให้เนี่ยว่าวาฮาบานาละหูเราได้ประทานให้าาหาแหกบนดีอายูบเนี่ยอัลละหูครอบครัวของเขามากกว่าเก่าแต่พยานมีแล้วก็มีลูกหลานตามมาอีกนะหลังจากหายแล้วเนี่ยนะทซั์สิ่งอาจจะหมดไปแล้วใช่ไหมล่ะ ให้มาครั้งที่สองเนี่ยมากกว่าเก่าอีกเห็นย่างนี้ได้พระบูตรเราจากอุรานเยอะมากคนที่เคยรวยต่อมามาจนใช่ไหมเราตอมาจะรวยอีกได้ไหมได้อย่าลืมเอาล้อให้นึกถึกษาเอาล้อเอาไว้ที่เล่าเรื่องนบีอายุถูกทดสอบนะเขาอดทนมาตลอดนะสอนนบีมาต้องอดทนแบบอายุแล้วสอนพวกเราวันนี้อย่าโวยวายให้นั่งนิ่ง นึกถึงอัลลอฮ์นี่มารยาทของคนที่เป็นมุ่นบินไม่ใช่ฆ่าตัวตายตัว โ, โควิดมาถูกทดสอบบางคนฆ่าคนนั้นฆ่าคนนี้ที่เราอ่านข่าวเนี้ยนะแล้วสงสารอ่ะเขาอันขาวเราสงสารน่ะพวกนี้ถูกทดสอบจากอัลลอฮ์ All ee, ไม่ได้อัลลอฮ์อัตบัยฆ่าตัวนั้นดา่าคนนี้อัลลอฮ์ ee, ลักของคนนั้นไปป้นคนนั้น นี่ถูกทดสอบจากอัลลอ์บ้างบ้างเล็กเล็น้อยน้อยบ้างไม่ได้เลยใช่ไหมล่ต้องอยู่สบายอย่างเดียวเลอชีวิตของคุณในขณะคนนบีของอัลลอ์ยังถูกทดสอบหรือขนาดนี้เขายังวางตัวเฉยนั่งเงียบอย่างนี้เป็นต้นเอาต่อมาครับวามิสลุมและเยี่ยงพวกเขามาถึงให้เพิ่มมาอีกเน่เป็นหลายเท่าจากสองเท่าสามเท่าสี่เท่า เคยมีแพะแพะตายให้แพะมาอีกเคยมีพันตัวเอาไปสามพันตัวอย่างนี้เป็นต้นเคยมีอูนร้อยนึงเอาไปอีกห้าร้อยเป็นหมื่นนึงเพิ่มให้อีกอย่างนี้เป็นต้นโอกาสที่จะท่ามีไหมมีครับอยู่ที่อัลลอฮ์ต่อมาครับมาอาฮุมกับพวกเขาที่ให้มาทั้งหมดเนี่ยอัลลอฮ์แนะนำในคัม์กุรอานว่าเป็นอะไรรอฮมาตัมมินาเป็นความ เมตตาเห็นยังครับเป็นความเมตตาเห็นยังนีสอนเราสอนสอนนบีมุฮัมมัดให้นบี ม, มาสอนเราของที่เอาล้อให้มาเป็นความเมตตาหมดเลยอ้าวมีภรรยาเอาล้อเมต AH, ตาเรานะมีลูกนี่เมตตานะให้มีที่ดินสองไร่นี่เมตตานะให้มีนาฬิกาข้ามือใส่นี่เมตตานะ ให้มีคนนั้นมีญาติคนนี้นคนนี้เข้ามาทักเรามายิ้มกับเรานี่เมตตาทั้งหมดนะมีบ้านมีช่อง ม, มีนู้น ม, ม, มีนี่มีพัดลมมีแอร์ติดนี่เมตตาทั้งหมดรอมาตามินนาะอัลลอฮฺไม่ให้ตะกั บ, บุตรเลยนะอ้ายานีสอนให้นอบน้อมถ่อมตนกับอัลลอกว่าต่อมาอีกวา่าซิครอเป็นข้อเตือนใจซิครอเนี่ย สิก็คนประว่านึกเป็นข้อเตือนใจคนที่จะนึกได้แบบนี้คนประเภทไหนครับอูลิลอัลบบเป็นคนที่อูลีอะไรนะผู้มีปัญญาเท่านั้นอัลลอฮฺอักบารตล่วว่าใครใช่ไหมในี้ไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์คนนั้นเป็นคนไม่มีปัญญา ถ้านึกถึงอัลลอฮ์คนนี้เป็นคนที่ฉลาดเอา้าอยากฉลาดไหมคนไม่ฉลาดก็คือคนได้ได้มีนึกถึงอัลลอ์คนที่ฉลาดเป็นคนนึกถึงอัลลอฮ์ทั้งมูเลยมีของนิดหน่อยได้มาฮามดูลิลานี่คนเอาแกมาให้สองถุงวันนี้ัมนีม่ความเมตตาของอัลลอ์มันต้องนึกของที่ของมันไม่มีแล้วมันมีเข้ามาเนี่ย มาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดนี่แหละคนฉลาดต้องคิดแบบนี้อย่าคิดว่ากูแน่กูเก่งอัลฟาโรฮามาอะไรนะกอรูนกอรูนคิดยังไงอะ่ะนี่ความสามารถของฉันอัลลอฮ์ไม่เกี่ยวแล้วเป็นไงครับอัลลอฮ์ให้แผ่นดินสู่เห็นไหมอย่าไปคิดแบบกอรูนคิดแบบกอรูนทามานไม่ได้มันต้องคิดแบบนบีมุฮัมมัดบิดแบบนบีอายุประเดี๋ยวแล้วก็อะไรกิสศามนอย่างนี้เป็นตัวนะครับ แปลใหม่ครับวาวาฮาเบนาลาหูแล้วได้ประทานแก่นบีอายุบั้นให้แก่เขาประทานนะรครับอาหลาหครอบครัวของเขาวามิสลาฮุมแล้วไปเยี่ยงพวกเขาเพิ่มขึ้นอให้แก่เขาที่เพิ่มมาทั้งหมดเป็นอะไรครับรหฮมาตัมินา นี่เป็นความเมตตาจากเราใช่ไหมไมาด้มาจากแหงเงินมาจะมาจากตัวตะเกียรไม่ใช่มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิต์ตั้งหลายแต่มาจากอัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นครับ ว, วาดิครอแอเป็นข้อเตือนใจลิอุ ล, ลอัลเบบกับคนที่อะไรนะชายปัญญาอัลฮัมดุลิลอัสซ า, าอุดูบอกว่า อุนฮีนาวสเดียโยเปเลสีโดกุนาเฮที่เพิ่มมานี่นนะเพิ่มเป็นสองเท่าเมื่อก่อนนี้จะให้มาเท่าเดียวหลังจากทดสอบสิบแปดปีป่วยไม่โวยวายกับอะไรเลยเพิ่มให้เป็นสองเท่าอันนี้เป็นตนวพาอขอดวอ่างขอว่างไงนะอินนาดาโรบบาหู เขาขอด้วยพรอขอมาอัลลอฮ์ให้เลยใช่ไหมให้หายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วขอด้วยก็ไม่โยงกับร อ, อโดยโยงไปสตรอนได้ยังอย่างนี้เป็นต้นนี่มารยาของคนที่มีศาสนามีอิมานต่อเลอสุภานอลาอย่าลืมคนคนมีอิมานบนโลกปัจจุบันนี้ใครที่มันไส้รู้ไหมยะฮูดีที่มาเล่นงานพิน้องปาลิสตานอยู่อันนี้นั่นนะ่ะคนยะฮูดียะฮูดีเลยกลุ่มคนชนคนดีมีไม่ ม, ม, มีครับ ขึ้นมาประท้วงกันแล้ววันนี้โดยเฉพาะอิสราเอลน่ะแ้วก็ดูติดตามข่าวก็แล้วกันนะครับเอาต่อมาครับอายาทีี่วุเบยดิกาดิฟริบบีวลาะหนสอินนาวจาดนซาบิรอ นِ ع ْ د َ الْعَبْدُ إِنَّهُ أ َ و َّ ا ب ฟ و َ خ ُบْ ب ِ ي َาِ ك َ์นัสอَน ا ้าวเจดนาห ب د ه ِ وَلَا تَحْنَثْ إ ِ ن َّอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอ ผมอ่านจะตับซิดมารอรี่นะครับอธิบายบอกว่าดูดูดูดูคาแปลก่อนนะว่าคุศแปล ว, ว่าจงไรนะจงเอาเนี่ย Allah สั่งนบีอายุบนะจงเอาคุศลมาจากอาคอซาแปลว่าเอาจงเทคจงเอาบียาดิก้บีแปลว่าด้วยยาดุนแปลว่ามือบียาดิก้ด้วยมือของท่าน ให้หยิบด้มือของท่านหยิบอะไรครับดึกษาดึกษาเนี่ยศัพท์เดิมแปลว่าหญ้าหญ้ามัดหนึ่งหญ้ามัดหนึ่งแต่ตรงนี้แปลว่าเอามาเ ศ, มมเศษไม้มัดหนึ่ง เ, เศษไ ม, า ม, า ม, มนน้มัดหนึ่งเอาเศษไม้เอามารวมๆกันเนี่ยมัดหนึ่งเอาเศษไม้มาทําอะไร สาเหตุเป็นอย่างนี้กับระหว่างที่ป่วยอยู่เนี่ยคนป่วยเนี่ยใจน้อยใช่ไหมคนป่วยเนี่ยใจน้อยเป่าคนอยจะใจน้อยป่วยมาหลายปีใช่ไหมกับใจน้อยแล้วก็อ่อนเนี่ยไม่มีแรงใช่ไหมลนะ่ะใจน้อยไม่มีแรงแล้วก็ภรรยาเนี่ยเป็นคนดูแลมาตลอดไม่รู้ไปทําอะไรไม่พอใจนบีอายุ สามีเนี่ยไม่พอใจภรรยาแค่เรื่องเล็กๆเรื่องเดียวโดวยไม่ได้บอกสาเหตุแต่ในทับศีก ห, หลายเล่มอธิบายบอกว่าพยายามอธิบา ย, น, ยนะนะบอกว่าภรรยาเนี่ยชื่อรอฮ์มาบินติอิฟรออีมภรรยาชื่อรอฮ์มาลูกของอิฟรออีมอิฟรออีมอันนะี้ชื่อคนสมัยก่อนเลยนะ มันต้องจำก็ได้นะชื่อรอกมากนะสั่งให้ภรรยาเนี่ยไปทำธุรกิจบางอย่างแต่มาชา้ากลับชา้าโกรธทอายุป่ะนี่อุลามากาอธิบายนะตัดสินอธิบายนะแต่ใต้คุอามมันจะพูดมันจะ พ, พูดไว้มันจะเล่าว่าโกรธเรื่องอะไรแต่พยายามอธิบายเข้าใจง่ายๆว่าคนเนี่ยนะคนป่วยเนี่ยโกรธง่ายเพราะอ่อนแอเอย่างนั้นแะ สังภรรยาทำนั่นทำนี่มันทําช้าไม่ถูกใจก็มีอะไรนะมีอารมณ์โกรธพอมีอารมณ์โกรธก็สาบานว่าเดี๋ยวฉันหายจะ ก, การเจ็บไข้เดรั่วฉันจะตีเธอร้อยทีฉันจะตีเธอเท่าไหร่นะร้อยทีจะรีบนะั้นร้อนเล่าเนี่เล่าที่นะมีอายุพูดว่าฉันจะตีเธอร้อยทีพอทําอะไรไม่ถูกใจ มาใช่เรื่องใหญ่เรื่องเล็กๆ น, อๆน้อยๆเนี่ยเพราะคนป่วยใจน้อยด้วยป่วยมานานด้วยไปน้องทําอะไรมาถูกใจก็เลยโมโหก็พูดว่าฉันหายป่วยเมื่อไร่จะตีเธอจะเคี่ยนเธอร้อยทีพขเป็นภรยาคนดีภรยาก็าคนดีสามีก็คนดีทั้งหมดเนะี่ยมีความผิดเล็ก ๆ, ๆน้อยๆเอาเราต้องการที่จะช่วยเนี่ยเล่าให้ฟังเลยนะ สามีก็ดีภรรยาก็ดีทตนี้สั่งภรรยาไปทำนุน่นทำนี้บางทีมันไม่ถูกใจเพราะไม่ถูกใจก็มีอารมณ์โกรธขึ้นมาพูดว่าฉันจะเคี่ยนเธอตีเธอลงโทษเธอหนึ่งร้อยทีทามึงก็ไปทำดีนามาจะว่าละ <c oughs> นี่หม่กระทำมาใจดีนาเราแค่ไปทำงานมาสิ่งบางอย่างเองแต่ตับสิทธว่าอย่าซีรงานเล็กเล็ ก, ลกน้อยน้อยแต่ลงโทษแรง วิธีไม่ให้ลงโทษแรงตีร้อยทีไม่ได้เพราะเป็นคนดีเอาล็อเลยสั่งว่าให้เอาไม้เนี่ยมารอยอันเป็นเศษไม้เนี่ยมารอยอันมัดอ่ามัดเป็นอันเดียวเอาร้อยอันมามัดเป็นมันเดียวแล้วก็ตีเธอเท่ากับตีร้อยทีเหมือนกันนี่เป็นการฟัตวาจากอาลัลลอฮ์สุบฮานะฮูบะต า, าลาเราตัดสินให้เลย ไหมเอามาดูซัวคุบาดิกาสะอัลล์ตักนบีอายุอัลลอฮ์ตัดนบีอายุเนี่ยาเรียกว่าวะฮีนะอ่าวะฮีนบีนี่อัลล์ไม่ไม่ตักนบีตรงตหรอกครับนอกจากนบีมูซาที่อัลล์พูดกนบีมูซาคนเดียวนะนบีอื่นเนี่เป็นวะฮีหมดนะครับให้ เอาขแหนงไม้ดึ้อสันตะวตขนแหนงไม้สักก ร, รมหนึ่งนะครับด้วยมือของท่านแล้วหววฟัฟบริบบีโรราบาเปวตีแล้วก็หววขแหนงไม้นั่นบนหนาก็ตีไปไม้รอยอันเท่ากับรอยทีนี่เฉพาะนบีอายุ ท่านอิบนับบัสบอกว่าพวกเราไม่มีทำอย่างนี้ไม่ได้แล้วก็ไม่ไม่ควรไปจะไปสาบานว่าจะตีภรรยารงๆเนี่ยไม่ได้นนเฉพาะนบีอายุคนนี้เล่าให้ฟังอย่างเดียวเล่าในประวัติให้ฟังววลาตาณสและจงอย่าเพิกถอนคำสาบานเพราะสาบานว่าจะขะจะเขี่ยนภรรยาร้อยทีนะ่ ไม่ไม่ต้องไปถอนคำสาบานให้ทำเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ไม่ใช่ตีร้อยทีทีปับปับปบไม่ใช่เอาไม้ร้อยหานมารวมกันแล้วก็ตีครั้งเดียวในกรณีที่พระยาเป็นคนดีลงโทษเธอทำไมบาปอ่าแต่ mm hmm. นั่นดูว่าถ้าเป็นคนป่วยเป็นคนไม่มีไม่ไม่ไมีแรงแต่คนที่ทำทำทำทำีนาต้องลงโทษนะ่ะ ถ้าเป็นคนสาวยังแข็งแรงดีผู้ชายยังแข็งแรงก็ตีไปเลยร้อยทีหรแปดสิบทีใช่ไหมล่ะแต่ถ้าดูแย่ๆอย่างเนี้ยก็เอาไม้รวมกันเ <c oughs> นี่อุลมอฮฺก็แนะนําเอาไว้นะแต่พวกเราไม่มีกระทําดีนักในชาร้อนนะแต่อ้างกฎหมายในประชา m o n a r ไทยไม่ได้ผิดกฎหมายใช่ไหมติดคุกอีกจะนั้นก็ให้ตะ บ, บ้าตัวต่วตวอรอบไปก็แล้วกัน <c oughs> ไปทําดินามากก็ตะ บ, บ้าตัวต่วตวอรอบ ไปทำความชื่วมาตอนตบบาตัวอัางคนมาอิสลามมาใช้ไม่ได้บนโลกบนเดือไปนี้นะครับเวลาตานะแตลว่าไม่ต้องไปถอนคำสาบานนี่อัลลอฮ์ชมอีกนะอินน่าวาจาดานาหูแท้จริงเราเนี่ยนะพบว่าวาจาดาแปลว่าพบเราพบเราเห็นเราพบว่าอายุปเป็นคนยังไงครับซอบิรอนนี่งา เป็นคนที่อดทนนี่ไงผลละบุญของคนที่อดทนอลรอให้เยอะยึงร่วงโควิดมาต้องอดทนไหมต้องอดทนมารออัลกุบะแล้วก็อยู่บ้านต้องกักตัวอดทนไหมอดทนครับซอบิรันมัวตาซิบะลวก็วังระวันตอบแทงอย่างร้อนอีกบวชต้องอดทนไหมรออัลกุบะท่านใย่างครับบวชก็อดทนโรคโควิดมากก็อดทนหิวก็อดทน คนดามาก็ต้องอดทนคนตำหนิมาก็อดทนยึดซุนย์หนแรงๆเพื่อมันก็นไดาษอัลลอฮฺอัลลอฮวอย่างนี้เป็นต้นอัลลอชมนบีอายูบอินนะหูอะไรนะวะจัดนาหุซอบิรอนข้อที่หนึ่งนบีอายูบเป็นคนที่อดทนข้อที่สองเนี่ยมาลาบดีเนี่ยมาอบดีแปลว่า อ, อะไรนะเบาผู้เบาผู้ประเสริ ทำเป็นเบาที่ประเสริฐใช่ไหมสองแล้วนะข้อที่สามอินนาอว่เอาเป็นแท้จริงเขาเป็นผู้หันสู่อัลลอฮ์ตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์เสมอสามอย่างความดีของนบีอายุที่อัลลอฮ์เล่าให้นบีอุมมัดฟังนบีมาเล่าให้พวกเราฟังว่าคนจะดีได้เนี่ยมีอายุ ความดีมี3รายการหนึ่งอะไรนะอดทนสองเบาที่ประเสริฐทุกอะไรนะ18 ป, ปีไม่เคยบ่นสักคำหนึ่งนะไม่เคยบ่นสักคำหนึงเี่ยพยายามมาขอดุอาทิยอะไรสิสิสปีเองขออะไรอย่างนี้เป็ต้น น, นะนะเห็นไหมเราเนี่ยแค่ แป๊บเดียวอ๋อเราอัลลอฮ์จะช่วยหนอช่วยหนอเราเออไปไหวเลยวันวันถูกมาถึงห้านาทีาต้องอดทนตัตเองว่าอลัลลอฮ์เนี่ยชอบใครนั่นหนึ่งคนที่อดทนอลัลลอฮ์ชอบไหมชอบนี่สอนแล้วนะอันกูอ่านหนึ่งเราถ้าอดทนอลัลลอฮ์ชอบสองเบาที่ประเสริฐอลัลลอฮ์ก็ชอบแล้วก็เอาบาบุนที่กลับเนื้อทําอะไรผิดเนี่ย กลับนึกกลับตัวเลยครับอห้องอยู่หรลอรอคนที่ทะเลาะกับพ่อแม่มีเปล่านั่นอาบาปใหญ่เลยนะจะทำไงครับกลับตัวซะกลับตัวเลยกลับตัวให้หมดถ้าไม่กลับตัวเองตายถ้งเจออาจาบย์นุกบุญหาเรื่อง จะทะเลาะกับญาติไปร้องตัวเองอยา่าทะเลาะกับพ่อแม่กับพี่กับน้องจะทะเลาะเขาด่ามาอะไรมาไม่ได้ยินก็ได้ให้อภัยซอบิ๊กอดโทษเพราะเรามีหลักการในการดําเนินชีวิตเราไม่อยู่แบบคนกาเฟที่ไหนหรอกคนกาเฟทําอะไรก็ได้ไม่นะเราเมาตลอดทั้งวันทั้งคืนเร น, น, น้าทุกสารเราไม่แต่ของฮาร์โรลดองไม่แต่ เคยแต่มาเลิกหมดแล้วไม่เอาแล้วเราทก็เยอะสะอาดบริสุทธิ์นะครับะะพี่น้องเอาอายะที่สี่สบี่ผ่านแล้วจะไหมพี่น้องตกลงว่าทั้งสามีก็เป็นคนดีท้งภรรยาก็เป็นคนดีดูแลสามีกิปีก่อนป่วยก็ดูแลมาตลอดตอนป่วยสิบแปดปีก็ดูแม่ตลอดทำอะไรผิดเล็ก น, อน้อยแม่มีอายุนี่ โอ้โนี่เตือนเหมือนกันพวกเราอย่าไปเอานิสัยไม่ดีไม่ดีมาใช้อ่ะนะให้อภัยคนดีที่สุดนี่เป็นต้นนะอาต่อมากับท่านอิบนาบบานอธิบายเวลาอย่ายุ่งด้้าเลกัลีอาฮาดินบาดะอายุบคือการลงโทษภรรยาด้วยสาบานจตตีภรรยาเขาไม่ทํากันนะไม่มีใครทำบุรุษนอกจากอายุคนเดียวนี่เล่าให้ข้าหมัดฟังนะครับอาต่อมาครับสี่สิบห้าคับ วัดคุรอิบาดานาอิบรอฮิมว أ าอิสฮะควะวยะคุบุนิลเอยดีวลาบซอร์วัดค ا إ ِ ب ْ ر َ ا ه ِ ي م บ وَإِسْحَاقَ و َ ي َ ع ْ ق ُ و ب บ อุลัยดีและอับซาร์ a l h a m d u l i l า a h ผิน้องสังเกตมีชื่อนบีกี่ ค, ค, คนมีชื่อนบีกี่คนสามคนหนึ่นอิบราฮีมต้องนึกอิบราฮีมอังพยาคนแรก ไปไว้ถึงมมัก้าใช่ไหมแล้วมีน้ำอะไรจำจำเห็นไหมน บ, บีอายุบเนี่ยมีน้ำโผ่มาเหมือนกันแต่รักษาโรคหายแต่น้ำจำจำนานกี่ปีแล้วตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้เห็นไหมนี่รถจอดให้บนโลกดูลานไปนี้เห็นไมครับและพยายาน บ, บีอิบราฮิมอิบราฮิมพยาามมีสองคนใช่ไ้ซาลกับฮาญ ซาอเนี่ยภรยาคนแรกฮายาดเนี่ยภรยาคนคนคนที่สองได้มายัางงานเคยเล่าให้ฟังแล้วเนี่ยอย่า้ะเอาภรยาฮายาดเนี่ยได้ลูกชื่ออิสมาอินพาลูกไปไว้กับภรยาที่มักกะวันนั้นเซเว่นอเว่ไม่มีนะ <c oughs> มีแต่ภูเขากับน้ำอัลลอฮฺอัลลอฮฺยินยันครับอาหารที่พาไปหมดคืออิสมาอินก็รอจะกินนมจะกินนมจะกินน้ำมัน้ําไม่มีอนะ่ะ ที่นางเดินภูเขาโซฟามารวา น, นั่นนั่นที่เราเดินแซงกันนั่นเดินตามนางหายใจแล้วมาันนําพุ่งมาที่เท้าเป็นน้าดำๆตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้น้ายังโผออกมาเลยฝีมือใครอัลล์ถ้าอาทรายศต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยทเดี๋ยวนี้แหนี่เออนาบีอิบรอฮมและเออใครครับอิสฮ่าพิาร์ทนี่เป็นลูกนะ อิสฮากเนี่ยลูกรองลงมาจากอิสมายน์พรรยาคนที่สองที่ซาร่าเนี่ยซาราเนี่ยนะครับอยู่ที่ประาเ ล, ลสไตน์อิสมยัยนอยู่ที่มักกะปัจจุบันนี้เห็นไหมตัลงมาทางทางปาเลสไตน์ทางอะไรนะทางมักกะเนี่ยลูกของใครอิบรออยหมดเลยทั้งสองคนต่อมายากรบนี่หลานนะยากรบลูกของบับลเอิสฮากอะไรฮิสตาลาอิซาเปภรรยาสองคน นะครับคนที่สองเนี่ยได้ลูกชื่อยูซุฟยาคูมีลูกสิบสองคนทั้งหมดเลยนะลูกคนเกเนี่ยคือไม่ใช่ยูซุฟแล้วก็ บ, บิบนนยาเมนอ่าสองคนนี่แม่แม่คนที่สองเป็นพี่กับน้องกันอ่อาอัลลอฮเล่านาบีสามคนในแง่ไหนหรอมไหมแง่ของความอดทน อ่าแงไหนแงของความอดทนจะเอาแงไหนแงเสียสละก็ได้อิบุบรีมเชื่อลูกใช่ไหมนีงง่แงขงเสียสละอดทนละ่ะนี่แ ง, างามาอดทนวาสุกุลแต่วะจงรำลึกถึงนี่บอกกับนบีมุฮัมมัดบัดเอ๋อจงรำลึกถึงอิบาดานาะเบาของเราเบาของเราหลายคนเนะ่ยนะจะน้อยเอ๋อรสามคนนะ คนที่หนึ่งอิบราฮีมนบีอิบราฮีมในแง่ของความอดทนทีต่ตอนจับโยนใส่อะไรใส่ไฟเห็นไหมโวยวายเปล่าไม่ได้โวยวายสักนิดหนึ่งตอนโยนบินอยู่ในอากาศเนี่ยยิบรี ล, ลงมามาถามว่าให้ฉันช่วยไหมครียกว่าแมวถ้าอัลลอฮจะเอาเห็นยังครับ ถ้าท่านจะไม่เอาถ้าเอาลอดก็นเอาความรู้สึกเห็นยังครับโยนใส่ไฟนะ่ะยังโยงกับเอาลอเลยหัวใจนี่ก็อ ด, ดทนสูงที่สุดนะเราเป็นอย่างนี้เปล่าโอ้โหนี่นะได้ความรู้สำหรับเราเยอะมากเลยครับตอนพบกับปัญหาหนักๆอนะ่ะอย่าเลิมนึกถึงใครก่อนอัลลอฮ์นีลเป็นต อดทนนะเนี่ยซอเบตอดทนะดทนะอดนะัดก็เดูสองอิสฮารนี่เป็นลูกชาปตะบีบรอยิมอดทนแง่ไหนกับแงวการเผยแผ่ อ, อิสลามกับพวกบันอิสรอินถูกรังแกถูกนู่นถูกนี่สารพัดอดทนไม่เคยบ่นสักคำหนึ่งอันอย่างครับอิสฮารในแง่ที่อดทนเผยแผ่ อ, อิสลาม ถ้าคนทํางานดาวา่าอิสลามเนี่ยควยวายมากก็ไม่ได้อะหนึ่งต้องมานะมาดที่มัสิดยู่เป็นประจํานอกจากโรคโควิดมาจะมากแล้วก็เบาๆหน่อยใช่ไหมถ้าอย่งางนั้นต้องมาประจําต้องเผยแผ่อิสลามต้องวางตัวดีตรงกันต้องหาความรู้ใส่ตัวเอาไปบอกพี่น้องญาติพี่น้องแน่น้องมันก็ต้องอดทนหมดเลยใช่หรือไม่ใช่ญาติพี่น้องตายแล้กูไม่ไปบ้านไหนแล้วใครบอกพูดนะก็น บ, บีอิสาห์เขวางตัวเป็นยังไงล่ะ นัานคนดีอ๋อลองเล่าให้นบีโมหมัดฟังให้น บ, มนบีมาสอนพวกเราวันนี้นบีอิสฮักเห็นไหมไปนอนในแง่คนเดีว่านบียากรูปในแง่ของการอดทนมีลูกกี่คนะ่ะสิบสองคนแล้วก็คลายหายยูซุฟหายไปกี่ปีแล้วคนที่จับให้ลูกหายพี่ๆหมดเลยในต้องการที่อนจะ จะเล่าว่าครอบครัวนบีเนี่ยถ้าคิดสุขกรกมีไหมมีนี่เล่าให้ฟังอ่ะอย่าหูดีมันก็ไม่ชอบอ่เอาเอาประวัติของข้ามาอีกแล้วอกุรอานนี่แล้ ว, ลวก็นบียูซุมหายไปกี่ปีถามว่าพ่อคิดถึงลูกคิดถึงครับยังน้อยสามสิบปีตึ้งสี่สิบปีอ่ะพอนึกตลอดเวลาลูกกูลูกกูลูกกูต ล, กกลกกอดผมจําได้ชักดีนี่เล่าให้ฟังหลานหายไปสามสิบปีนอนไม่หลับอ่ะ เห็นไหมมันไม่รับว่ร้านหายอ่ะรออักบัตถ้ารู้่คนไปไม่รู้ยังไงอ่ะเพราะความไปเลี้ยงต่อหรือไปเอาตัดมืออะไรก็ไม่ไม่รู้อะไรจังนั้นอ่ะถามว่านายอบดอายุยากรมี่เครียดมันเครียดแต่อดทนอ่ะนบียูซุมหายไปกี่ปีไปนอ้องแล้วก็ไปเจอยูซุมอีกทีหนึ่อุลโลเป็นใหญ่ไปแลว้ว ในคุณอานอธิบายอย่างงี้วันที่นาะยวยูซุปเป็นเป็นใหญ่นะเป็นเป็นเป็นกษัตริย์แล้วนะแจกอาหารเนี่ยนะพ่อไปแม่ไปพี่น้องไปกันหมดเลยไปรับอาหารไปเจอยูซุปที่นั่นนะ่ะก็ถามว่าท่านยูซุปใช่ไ้มอ่ะถ้าเป็นเรามึงไม่น่ามาถามกูอีกหรอถ้าเป็นเราจะมึงไม่น่ามาถามกูอีกเลยมึงเป็นคนจับฉันโยนใส่บ่อวันนั้นฉันจําภาพได้หมดเนี่ย แต่ยูซุฟไม่พูดมีคนถามนบียูซุฟว่าชีวิตคุณเป็นยังไงท่านตอบอย่างนี้นะครับในคุรอานนะครับก็อัลอาซานาบีอิสอัคราะจนีมินอสติจนีขอบคุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ฉันออกจากคุกเรื่องที่สองวาจาอับิุกุมมินอัลวาดอวีให้พ่อแม่และพี่น้อง21คนเดินทางมาจากชนบท เขามาในตัวเมืองที่อิจมารักมาฮันบาดะอันน่าจะกษัยตอนว่าไปนีว่าไปในอิสวาตีหลังจากที่ชัยตอนทำให้พี่น้องกันทะเลาะกันแตกแยกกันเห็นไหมโทษใครห้าเห็นยังนั่นคนที่มีอิสลามคนที่มีอีมานคนที่มีตักวาเขาไม่พูดตำหนิครอบครัวตัวเอง เห็นย่างครับนี่พวกเราศาสนาไม่มีด่าพ่อตัวเองด่าแม่ตัวเองด่าพี่ดา่าน้องเอาความคิดอะไรครับอ่านอ่านออ่า น, น, นคุณอ่านได้ก็ ค, คิดอะไรบ้างอะ่ะอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นอย่าไปตำหนิใครเลยอถ้าจำเป็นต้อง ใ, ใช้ตอนนี้ก็ใช้ตอนทําให้ครอบครัวนี้แตกแยกกันเห็นไหมทั้งทั้งที่พี่ น, นั่นงกันเต็มหมดเลยนะถ้าจะพูดว่าฉันนี่ถูกจับโยนใสบ่บ่อพูดว่าไม่พูดเห่มไหมอ่ะ ถามว่าจับโยนใสบอลเป็นภาพที่ลืมได้ไหมอลม่ลืมเลยแไม่ลืมถามก่าลืมไหมไม่ลืมหรอกครับแต่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่พูดน่ะพี่ก็ุณอ้ ย, อยมันไม่พูดเรื่อ ง, ง, งโยนใสบอลเว้ยแต่มันพูดแล้วมันอยู่ในคุกพูดว่าพี่น้องมาเยี่ยมจากชนบทมหายูซุกในเมืองมาารับอาหารทำห้ใช้ตอนทะเลาะกันได้พื่อเไม่ได้เอ่ยชื่อฉันเลยนี่นะ เพิ่มความรักทำดูลีโลนี่ไปขอคิดหมดเลยท่านเดินตามกุราเดินตามอุราที่อัลลอฮ์เล่าว่าฉันประทานอันอุราลงมานะครับให้กับพวกท่านเป็นอะนะเป็นความรู้เป็นฮูดาเป็นทางน้านำเอาไปใช้ในชีวิตประจาําวันของคุณคุณจะเป็นเบาวที่อัลลอฮ์ซาบิรอนเนียมละับดีแล้วก็อาวบจะได้ การมชมเชยจากอัลลัะสุภานะหูวะตาล้วครวับพระธมดีพิน้องเงป็กเปล่าวปล่าครับโทษขายสายตอกทำเลยล่ะเนี่ยถ้าไม่เรียนเนี่ ย, ย, นนยก็ไม่รู้่รก็มีหลายคนนี่ตัวครูบางค น, ใ น, ใ, นในตับซไในบายบางทีไปเล่าว่าฉันอ่านคุอ่านจบระมั่ลอยไปนี้อย่างสองจบเขาก็มองหน้ามึง่างสองจบนี่สายไม่เห็นเปลียนสัทีเลย ยังด่าคนนั้นยังด่าคนนี้อาจารย์กอูกอ่านไม่เข้าใจกูอ่านถ้าเข้าใจอะเป็นไงนิ่งๆเฉยๆเดินสง่าง่ามอ้ําๆจุลิศยิ้มกับคนก่อนก็ได้คาดก่อนก็ได้ให้สลามก่อนได้ไหมมึงน่ยบาปตัวเต็มแต่กูไม่เคยเอ่ยสักคำเลยคุณเองคุณเนี่ยรู้หมดน่ะอยู่นอยู่ในการก็รู้ใช่ไหมตแต่สังเกตนะคนอยู่ในการเนี่ย คนดีเนี่ยเขาไม่ตําหนิกันแต่คนชั่วจะตําหนิคนคนคนใกล้หมดเลยจริงไหมคนบริการเนี่ยถ้ า, าศาสนาไม่มีจะตําหนินมดเึงผิดอันนี้ผิดอันนี้ผิดอันนี้ผิดกูนนดถูกคนเดียวอ่ะกูอ่านเล่านะัอุกตูลูพวกพี่พี่เนี่ยบอกว่ า, วาข่ายูซุปทั่นคนคนไรนะคนใกล้ชิดพอยูซุป เอาออกมาจากบอ่อพาไปขายที่ตลาดที่อียิปต์นอะนะแล้วก็มีเจ้านายคนซื้อไปไปบอกภรรยาว่าอัคริมีจงให้เกียรตินบียูซุให้ที่อยู่อาศัยอยา่างดีเห็นยังคนไกลให้เกียรติคนใกล้จับผิดตลอดเลยเห็นไหมทั้นคนอยู่ไกลชิดกันนะอย่าจับผิด มองส่วนดีของเขาบ้างถึงจ kind of ะอยู่ได้กันแบบมีความสงบตอนนี้ส่วนใหญ่จะมองเรื่องไม่ดีก <ential ed reinvent ed> ่อนเนี่ยอ้าวอัลลอฮุซุลเลาห์มินลาลิอฮต่อมาคับอายะที 6, nah um ่สี่สิบหกอายะสุดท้ายอินน่าอัคลาสนาฮุมบิคาลิซะซิกรอดดาร์อัลฮัมดุลิละ อินนาอัคลัฟน้าหุมบิข้าลิซา ذكر الدار อินนาอัคลัฟน้าหุมบิข้าลิซา ذكر الدار ล hamdulillah อายะตุถากของวันอินกา อลัลลอ์เล่าให้นบีมุฮัมมัดฟังว่าอินนาแท้จริงเราเนี่ยนะอัคลอสนาหุ้มเราได้เลือกเขาทั้งหลายจะมีชื่ออาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าจะว่าชื่อที่อลัลลอ์เลือกมา นะบุคคลทีล่อัลลอฮ์เลือกมาให้เป็นบุคคลตัวอย่างวิครบิคอ์ลิซอโดยเฉพาะาบิคอลิซแปลว่าโดยเฉพาะอัลลอ์เอ ล, ล่าว่าเราได้เลือกเขาทั้งหลายโดยเฉพาะให้วิครให้เป็นธื่ล้ำลึก เป็นที่เตือนใจอันดาดาตว่าบ้านหรือที่อยู่อาศัยบ้านก็คือมันมีบ้านอยู่สองหลังบ้านบนโลกดุนยากับบ้านในโลกอาคีรอคาว่า ด, ดาตตรงเนี้ยบ้านในโลกอาคีรออัลลอฮ์ได้เลือกพวกเขาเหล่านั้นโดยเฉพาะให้เป็นข้อเตือนใจสําหรับพวกเราวันนี้คนที่นึกถึงโลกอาคีรอ คนที่มั่นใจว่าตายแล้วต้องฟื้นต้องบูดูบุคคลที่อัลลอฮฺจะเ อ, อ่ยชื่อในอาทิตย์หน้ามีใครบ้างนะครับบุคคลเหล่านั้นเป็นบุคคลตัวอย่างที่ดีที่สุดที่เป็นบุคคลตัวอย่างที่อัลลอฮฺพอใจจะให้รางวัลตอบแทนเขาให้อยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺเพราะเขาเป็นห่วงโลกอาซิรอ ม, มากกว่าห่วงโลกดุจยาไปลองเห็นอย่างครับเราเนี่คนกี่โลก พู้ด่าจัดชัน้นแต่เราเป็นก้นสองโลกเราไม่จะคนโลกดุญญนยะาเราอยู่ดุนยาเพื่อสแสวงหาปัจจัยโลกอาคีรพอยู่โลกบนี้นมาตปัจจัยโลกอาคีรพ์ถือศิลโอดปัดจจัยโลกอาคีรพ์ทาดีกับพ่อแม่ปัใจจัยในโลกอาคีรพ์แต่งงานดูแลภรรยาภรรยาดูแลสามีปัใจจัยในโลกอาคีรพ์ ซิก ร, รุลล้อปัจจัยในโลกอาคิรอเอาอาหารแจกกันยิ้มให้กันทักกันกันให้อาภาัยกันปัจจัยโลกอาคิร้ออดทนบนโลกดุนยาไปนี้ถูกนั่นถูกนี้ไม่เคยโวยวายเจ็บไข้ได้ป่วยบางทีสตังไปหาหมอก็ไม่มีพบเคยปรนะจำน่ะจะไปหาหมอไม่มีตังเลยข้าในห้องรอเดี๋ยวลูกคนนัมา นี่ก็อัลลอ์สงฮส่แล้วอาลอสงฉะนั้นมีวลามีมุสีบ้าปัญหาเดือดร้อนมาแ้นะครับแล้วอัลลอฮ์แก้ให้ตรงนี้ก็นมาจะอัลลอ์น่ะเม่ที่กว่าจะแก้ทั้งทนสี่ห้าชั่วโมงล้วก็นั่งก็ยัลวล่าอับแต่ฟันอับนั่นสมาสุญอยู่ดีกว่าเดี๋ยวมาฉะนั้นความดีที่เราทำบนโลกใบนี้อย่าหวังรางวัลตอบแทนบนโลกใบนี้ แต่ให้หวังรางวัลตอบแทนในโลกคือเรานั่นแหละก็เรียกว่าบุคคลที่จะเอ่ยชื่อต่งต่อไปนี้นั่นเป็นบุคคลตัวอย่างสำหรับคนเราในปัจจุบนันนี้ให้ดูตัวอย่างคนเหล่านั้นมีใครบ้างละ่ะมีชื่ออยู่เนี่ยอะไรบ้างล่ะอิสมาอินยาซักลุลกิฟดีใช่ไหมอ่เต็มเลยใช่ไหมหๆๆอ่ะมันอะไรแบบนี้เป็นต้นนี้เป็นตตกลงว่าชีวิตนี่เตือนพวกเรานะ อย่าหลงโลกดุนยาใบนี้อย่าหลงตัวแทนบนโลกดุนยาใบนี้มีอยู่หนึ่งเงินอย่าหลงเงินสองตำแหน่งเกียรติยศชื่อเสียงอย่าหลงอันนี้มันแค่ทางผ่านถ้าจะหลงก็หลงได้เอาเงินชื่อเสียงตําแหน่งเกียรติยศเอามา เอาอิสลามมาให้คนได้รู้จักได้เข้าใจได้ปฏิบัติแบบง่ายๆผ่านเราอย่างนี้สิมีสง่างามเงินมีใช่ไหมเปิดอบรมทาเลี้ยงอาหารฟรีติดแอร์ให้ฟรีม า, มาเรียนหนังสือเลยครับจ้างครูมาสอนเงินฉันค่าเอาไปเลยเแบบนี้เราทำอะไรนะเพื่ออาคิโรอบรมชาวบ้านเริ่มตายแล้ว เอาอะไรมาสอนโอ้โหเอาโตครูคนนี้มาสอนนี่มันมันขวางประเพณีปฏิบัติอา่าเอาโซ น, น่ามาสอนประตูดะต้องอทนหมดเลยครับพี่อ น, อน้องมีเงินนี่ไงให้คนได้มาฟังศาสนาเงินของเราดีไหมเรามีชื่อเสียงเป็นเป็นอะไรเป็นสอวอลเขตนี่เปิดอบรมอิสลามเงินชันอะไรชันดีได้ไหมดีนี่ไง ถ้าจะเอาเงินชื่อเสียงตำแหน่งเกียรติที่มีอยู่นะมั่บทงานศาสนาสิโอ้โสหสกังามไหมอันทำแต่ไม่พอจะเลือกตั้งจี๊ยกสวัสดีพอแต่งตั้งแล้วกูไม่ว่างเว้ยเรามาตํานิใครจะเล่าในความื่อเข้าใจง่ายๆว่าวะฉะนั้นมีเงินมีชื่อเสียงมีตำแหน่งมีเกียรติยศเอามาดูแลงานศาสนาซะ เหมือนใครเหมือนบรรดานาบีในอดีตก็ทํางานศาสนาไปหมดเลย น, ะนาบีมักมาแต่ทางานศาสนาใช่ไหมหิวมือกินมือแต่ชาวบ้านต้องอิ่มก่อนใช่นาอุมัดนะยือ้อันอันอันยืนพูดว่าหน้าคนนี่นะท้องรองจอกจอกจอกท่านพูดว่าท้องเองไม่มีสิทธิกินนะให้เด็กเด็กคนยากจนกินก่อนท้องเองกินที่หลังใช่นาอุมัดไม่จำเนตตัวครูนะ ควรลงพุงอะไรห น, หนาๆใช่หหิวๆบ้างไม่ได้เลยท่าชาว บ, บ้านเขาอิ่มก่อนเราเป็นสุรโกกินที่หลังได้ั้ยได้ทำตุลินะโอ้นี่ อ, นออกเยอมออกไกลเอาละพี่น้องตนลงว่าโลกดุนยามีโลกเดียวมั้ยไม่ใช่นี่มันโลกไม่ถาวรโลกชั่วคราโลกอาคือโรคก็ได้ว่าดาเป็นโลกอีกถาวรตลอดไม่มีวันหมดอายุอยู่ไปตลอดเลยนะ เราเ น, นี่เกิดมาเพื่อเพื่อไม่ตายอยู่ต่อไปนั่นน่ะีตายาเป็นการทดสอบนิดเดียวใช่ไหแล้วก็ฟื้นมาอีกทีอลรออยู่ไปจะรอเลยนะครับพี่น้องชีวิตในสวรรค์เป็นยังไงจะ เ, เล่าให้ฟังแล้วเนี่ยเอาสุบทเวลารับส <m> ุาลลอฮุมะวบบิฮัมดิะเบาอิลลาอันตะอัสตร์กวะตูบิลอลลัลลอฮมะลาหมุฮัมมัดะัีฮิวซฟิอัจฮัมิลลาอิลาล